ก็เพราะสมบัติหรือความเจริญของคนอื่นเนี่ยเป็นเหตุใครเขาดีใครเขาเจริญเราเห็นความดีความเจริญแล้วเราก็ริษยาริษยาเกิดทันทีแมมไม่อยากให้เขาเจริญไม่อยากให้เขามีความสุขอยากจะให้วิบัติอยากจะให้เสื่อมนอกจากอยากแล้วก็ยังพยายามปฏิบัติไปตามความอยากมุ่งทำล้ายให้คนอื่นเขาเกิดความเสื่อม ริษยาเกิดขึ้นเพราะความดีความเจริญของคนอื่นเป็นเหตุให้เกิดส่วนกรุณานี้จะเกิดได้ก็ต้องอาศัยความทุกข์ความเสื่อมของคนอื่นเป็นเหตุเนื่อเพราะฉะนั้นในตัวคนเนี่ยถ้าหากว่าเราเป็นคนที่คนอื่นเขาสงสารก็แสดงว่าเรากำลังเสื่อมถ้าเราเป็นคนที่กำลังถูกคนอื่นเขาริษยาก็แสดงว่าเรากำลังเจริญ ก็เลือกเอาว่าเราจะเอาความสงสารดีหรือจะเอาความริษยาดีเราศึกษาดูสภาวะประมัตแล้วคนที่ถูกคนอื่นริษยามากขึ้นเท่าไรคนนั้นดีแต่ถ้าใครถูกคนอื่นสงสารมากคนนั้นกำลังแย่เพราะว่าไม่แย่เขาจะสงสารได้ยังไงกำลังเสื่อมกำลังเป็นทุกข์เชร์คนอื่นเขาก็ต้องสงสาร แต่ถ้าเราถูกคนนีิษยาคนนี้ริษยาแล้วก็แสดงว่าเราเนี่ยกําลังเจริญเพราะฉะนั้นการวัดงานเนี่ยหรือวัดบุคคลถ้าคนไหนมีคนริษยามากมีคนด่ามากมีคนดินทามากเพราะเขาทำความเจริญแล้วเราควรจะมั่นใจได้ว่าคนนี้เขาทำเจริญแน่เพราะความเจริญจึงมีริษยาขึ้นและความเจริญนั้นได้ผลแล้ว อย่างน้อยก็เจริญกว่าคนี่ริษยา <Yeah. S 1> เป็นเครื่องวัดวัดผลงานด้วยใครทําความดียังไม่มีคนฤิรษยาคนนั้นยังใช้ไม่ได้แสดงว่ายังทําความดีไม่ดีเต็มที่ถ้าดีเต็มที่แล้วต้องมีคนฤิรษยาเนี่ยในทางสภาวะประมธรรมนั้นท่านท่านมีหลักตัดสินไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นในสองอย่างนี้เราควรจะเลือกเอาว่า ขอให้มีคนลิศยาดีกว่าคนสงสารเพราะถ้าสงสารบ่นใดเราก็แย่เหมือนนั้นเนี่ยความสงสารนั่นเป็นอารมณ์ของกรุณาเวลานี้เราเจะสังเกตได้จากเราเป็นไปหาผู้ใหญ่ซึ่งบางทีเนี่ยเราไมา่ได้ไปขอความช่วยเหลืออะไรมากหรอกไปก็เพื่อที่เจรจาให้รู้เรื่องแต่เราไปใช้คำพูดผิด ขอให้ท่านกรุณาเถอะท่านมีความกรุณาเหลือเกินยังกับว่าเราเนี่ยเป็นทุกข์เหลือเกินแล้วก็ไปช่วยเหลือให้ท่านช่วยปลดเรื่องทุกข์ให้อะไรทํานองนั้นทั้งๆที่เราก็ไม่ได้เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรและเราก็ไม่ได้ไปให้ท่านช่วยเรื่องทุกข์ให้แกเราแต่เราก็ใช้ว่าขอกรุณาเถอะขอความกรุณาต่อท่านอะไรต่างๆซึ่งบางทีก็ใช้ผิดกรุณาจะใช้ก็ต่อเมื่อเราเป็นทุกข์ และเราไปช่ชวยไปขอความช่วยเหลือจากท่านให้ช่วยบรรเทาทุกข์ให้หรือว่าบำบัดทุกข์ให้แก่เราอย่างนั้นเราก็เราจึงจะเรียกร้องเอาความกรุณาแล้วท่านก็จะกรุณาทําให้ทางที่ถูกแล้วเราควรจะใช้คําว่าเมตตาเช่นอย่างเราต้องการที่จะให้เขามีความปรารถนาดีต่อเราแล้วก็ช่วยเหลือเรา เราควรจะใช้คำว่าโปรดได้เมตนาเธอเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยเป็นเป็นเรื่องของภาษาที่เราได้ใช้กันอยู่ในปัจจุบันซึ่งบางทีมันก็สับสนไม่ตรงกับสภาวะทางประมัติที่ท่านได้วางไว้เราควรจะได้ศึกษากันให้เข้าใจในสภาวะธรรมเหล่านี้ว่า กรุณากับเมตตานั้นมีลักษณะอย่างไรและเราจะใช้ในการไหนในเวลาใดอย่างเราเห็นคนที่ก็มีความทุกข์มากถ้าเราบอกว่าแหมวันนี้ทราบข่าวว่าไม่ค่อยสบายก็เลยมาแสดงมุทิตาด้วยถ้าอย่างนี้แนละ้วก็ยิ่งแย่หนกะขึ้นไปอีกเพราะมุทิตานั้นแปลว่าความพรอยยินดีเราจะไปแสดงความยินดีหรือมุทิตาแก่คนอื่นก็ต้องเมื่อคนอื่นเข้ากาลังได้รับความดี เช่นเขาได้รับเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหน้าที่เขาได้รับลาบผลอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็บอกว่ามาแสดงมุติตาด้วยอย่างนี้ถึงจะถูกต้องแต่ถ้าเขากำลังทุกโตก็บอกว่าแหมฉันมาแสดงมุติตากับคุณเพื่อที่จะได้ให้คุณเนี่ยได้สบายใจบ้างหารู้ไหมว่ามุติตานั้นอนะพรอยยินดีเขาเป็นทุกข์มาพรอยยินดีด้วยเราใช้ผิด ระหว่างศัพทธรรมกับภาษานั้นบางทีเราก็ใช้ไไ่ยเข๋กันไปเรื่องสภาวธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะฉะนั้นเราจึงต้องศึกษาให้เข้าใจาไว้การเจริญกรุณาเนี่ยในทางปฏิบัตินั้นเราจะทําอย่างไรในด้านของการปฏิบัติเราจะไม่ต้องไปหาความทุกข์ของคนอื่นมาเป็นอารมณ์ดอกหรือ แล้วเราก็จึงจะแผ่กรุณาได้ความจริงการแผ่กรุณานั้นน่ะเราแผ่ได้ไม่ยากเพราะถ้าพูดถึงเรื่องของความทุกข์แล้วในโลกมนุษย์เนี่ยมีความทุกข์มากเหลือเกินสัตว์ที่เกิดมาในโลกมนุษย์เนี่ยมีความทุกข์มีความทรมานมากมายเราเพียงแต่ว่านึกถึงความทุกข์ของสรรพสัตว์ หรือสัตว์บางหมู่บางเหล่าที่เขาได้รับความทุกข์แล้วเราก็แผ่กรุณาไปให้ขอให้เขาเหล่านั้นพ้นจากทุกข์แม้เราจะไม่ได้ไปเห็นเราก็พอจะาคาดคะเนได้ถูกเช่นอย่างเราได้ข่าวว่าไฟไหม้บ้านของคนนั้นไฟไหม้ตรงนั้นไฟไหม้ตรงนี้น้นนานท่วมที่นั่นตรงนั้นถูกพายุพัดบ้านพัง เ, เขาได้รับโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนจนกระทั่งล้มตายกันเป็นจานวนมาก เขาถูกคมเ็งรังแกเมื่อเราได้ข่าวความทุกข์ยากลำบากอย่างนี้เราก็สมรวมจิตให้เป็นสมาธิแล้วเราก็ปรารบเอาความทุกข์ของสัตว์เหล่านี้เป็นอารมณ์โดยแผ่เมตตาบริกรรมในใจไว้ว่าสัพเพสัตตาทุกขามุจจันตุซึ่งแปลว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นทุกข์จงพ้นจากความทุกข์นั้นเถิด ความรู้สึกในใจเนี่ยขอให้เราคิดว่าสัตว์ทั้งหลายที่เขาเป็นทุกข์เนี่ยจะเป็นทุกข์เพราะไฟไหม้บ้านจะเป็นทุกข์เพราะน้ำท่วมจะเป็นทุกข์เพราะโจรร้นจะเป็นทุกข์เพราะโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนจะเป็นทุกข์เพราะถูกพายุพัดจะเป็นทุกข์เพราะแผ่นดินไหวอย่างไรอย่างหนึ่งก็ตามเราก็แผ่กรุณาไปให้โดยบริกรรมว่าสเพสัตตาทุกขามุดจันตุ สเพสัตาทุกขามุดจันตุสัตว์ทั้งหลายที่มีความทุกข์จงพ้นจากทุกขนั้นเถิดสร้างความรู้สึกไว้ว่าขอให้เขาเนี่ยพ้นจากความทุกข์เหล่านั้นเถิดเราแผยอย่างนี้ลงบ่อยๆบ่อยๆแล้วจิตจะสงบลงในทางปฏิบัตินั้นแทนที่จะเศร้าหมองกลับจะสงบลงสงบลงเพราะว่าเรามุ่งเอาความทุกข์ของสัตว์เนี่ยเป็นอารมณ์ไว้ แล้วก็มุ่งที่จะให้เขาเนี่ยพ้นจากความทุกข์เหล่านั้นส่วนมากการปฏิบัติในด้านนี้เราไม่ค่อยนิยมปฏิบัติกันเท่าไหรนะ่นักในทางปฏิบัตินั้นส่วนมากนิยมจเจริญเมตตาชอบแผ่เมตตามากกว่าอย่างเราจะเห็นได้ทุกครั้งที่มีการทำกุศลเสร็จลงแล้วเรามากักจะเชิญชวนแผ่เมตตาต่อกันแต่กรุณาเนี่ยเราไม่ได้แผ่ ทั้งๆ ท, ที่คนควรจะได้รับกรุณาจากเราเนี่ยมีเป็นจำนวนมากคนที่เขามีความทุกข์ความเดือดร้อนยังมีอยู่อีกมากแม้แต่คนที่กำลังเจ็บป่วยอย่างเราไปเยี่ยมคนเจ็บเราควรจะปฏิบัติจิตอย่างไรคนเจ็บนั้นเป็นคนที่กำลังมีความทุกข์กาลังได้รับความทุกข์ทรมานวิธีวางจิตเมื่อเราไปเยี่ยมไข้หรือไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยเราต้องวางจิตอย่างนี้ ใช้คำว่าสัตเพสัตตาทุกขามุดจันตุวสัตว์ทั้งหลายที่มีความทุกข์จงพ้นจากทุกนั้นเถิดถ้าท่านมีสมาธิจิตดีท่านอาจจะช่วยเปรื้องทุกคนเจ็บเขาอาจจะหายจากเจ็บก็ได้ด้วยอำนาจจิตของท่านวิธีรักษาโรคที่ว่าแม้คนนั้นนั่งทางในรักษาโรคเก่งคนนี้นั่งทางในรักษาโรคเก่ง รักษาด้วยอะไรวิธีรักษาด้วยจิตเนี่ยแล้วก็จิตอธิษฐานอย่างนี้แหละใช้สัพเพสัตตาทุกขามุดจันตุและเราก็เอาจิตของเราเนี่ยเพ่งไปยังคนเจ็บว่าขอให้เขาพ้นจากทุกทรมานอันนี้เถอะถ้าสมาธิจิตเราสูงจิตเราบริสุทธิ์เรามีบุญญาที่การมาก ผู้นั้นพ้นจากทุกทันทีดังเช่นพระพุทธองค์ได้ช่วยเหลืออุบาสิกาผู้หนึ่งเป็นทุกขเป็นทุกขจากบาดแผลบาดแผลที่เธอเป็นทุกเนี่ยเป็นที่น่องอุบาสิกาผู้นี้มีศรัทธามากเหลือเกินคอยปรนนิบัติพระพอเย็นเข้าก็เดินไปดูว่าพระกุฏิไหนท่านขาดหรืออะไรบ้างองค์ไหนอาพาธ ก็ช่วยเยียวยารักษาให้ไปเจอพระภิกษุองค์หนึ่งเข้าเป็นไข่ฉันอาหารไม่ได้ตอนเย็นเอจะช่วยบรรเทาทุกขเวทนาของพระท่านได้อย่างไรครั้นจะทำซุปไปให้เนื้อก็ไม่มีผลสุดท้ายเธอแร่เนื้อที่น่องของเธอเนี่ยชิ้นหนึ่งเอาไปทำซุปแล้วก็เอาน้ำซุปเนี่ยไปให้พระองค์เจ็บเนี่ยฉัน ท่านฉันแล้วท่านก็หายหายจากอาพาธเธอก็ดีใจว่าได้ทําบุญเอาเนื้อตัวเองน่ะแร่เนื้อตัวเองเนี่ยแล้วไปต้อมเป็นซุปพระท่านก็นฉันอร่อยไปเลยหายจากไข้ส่วนตัวเองนั้นต้องเป็นทุกข์ทรมานเวลาไปเฝ้าพระพุทธองค์ก็เอาผ้าเนี่ยพันแสพระพุทธองค์ก็ทรงทราบด้วยพยานแล้วว่าอุบาสิกาผู้นี้ศรัทธากล้าได้แร่เนื้อตัวเองต้มทุป เอาน้ำซุปถวายพระที่ท่านอาพาธจนกทั่งพระทันหาจากอาพาธพระพุทธองค์ก็แผ่กรุณาเนี่ยให้แล้วขอให้เธอจงพ้นจากทุกข์อันนั้นเธอเนื้อเนี่ยงอกเต็มขึ้นมาได้เนื้อที่เธอแร่ออกไปต้มซุปถวายพระเนี่ยงอกเต็มขึ้นมาแล้วเธอก็หายจากความทุกข์อันนั้นเป็นปริทิง้งอย่างนี้ก็มีและมีสตรีอีกท่านหนึ่ง นั่นตั้งคันแปลกมากเธอตั้งคันเจ็ดปีไม่ยอมคลอดทารกอยู่ในคันเน์ี่ยเจ็ดปีไม่ยอมคลอดแม้ทรมานปวดร้องทุกวันทุกวันด้วยความทุกข์ทรมานวันนั้นก็ไปเฝ้าพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าน้องหญิงจงพ้นจากทุกอันนี้เถอะเธอก็คลอดบุตรออกมาด้วยความสะดวกสบาย ก็พ้นจากทุกข์ท้องมาเจ็ดปีไม่ยอมคลอดพอคลอดออกมาเด็กก็พูดได้เลยเจ็ดปีแล้วนี่เธอก็พ้นไปจากความทุกข์เด็กก็น่ารักช่างเจรจาเอ็นดูไอ้ความทุกข์ที่เคยทรมานมาเจ็ดปีเนี่ยลือหมดวันนั้นนิมนต์พระพุทธองค์กับพระสารีบุตรพระอา น, นุ์ไปฉันที่บ้านเธอก็แนะนําลูกให้มากราบ พระพุทธองค์มาไปกราบท่านสารีบุตรไปกราบท่านพระอานนท์พระสารีบุตรท่านกระชวนคุยล้อเด็กเล่นเด็กก็ชอบไปสนทนากับพระสารีบุตรด้วยความสนิทสนมเธอเห็นลูกไปกราบพระสารีบุตรกแ็แหมดีอกดีใจว่าลูกเราเนี่ยช่างเจตจานะมีความสุขละเกินผู้เป็นแม่มีความสุขมากพระพุทธองค์ก็ตรัสถามแซงตรัสถามว่า ถ้าเธอจะมีบุตรชายอย่างนี้อีกสักห้าคนเอาไหมเอา <c oughs> ท, ทั้งที่เป็นทุกข์เราบอกว่าเอาบอกถ้าจะมีลูกอย่างนี้อีกสักห้าคนก็เอาสักสิบคนก็เอาพระพุทธองค์จึงตรัสมาเนี่ยเพราะความประมาทโตตั้งครันตั้งเจ็ดปีเป็นทุกข์เหลือเกินเนี่ยลืมหมดเลยบอกอยากจะมีลูกอีกถ้าอย่างนี้เราก็น่ารักน่าเอ็นดูอย่างนี้อ ย, นอยากจะมีอีกสักห้าคนสิบคนทั้งๆ ท, ท, ที่มีแต่ละคนเนี่ยทุกข์เจียนตายก็อยากจะมีอีก ด้วความประมาทอันนี้ด้วยอำนาจของจิตที่พระพุทธองค์ไปช่วยปลดเรื่องเพราะฉะนั้นท่านจะไปเยี่ยมใครที่เขาเจ็บป่วยหรือเป็นทุกข์ขอให้ทำจิตให้เป็นสมาธิถ้าเคยอบรมสมาธิด้วยยิ่งดีทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็แผ่ไปยังคนเจ็บว่าขอให้ท่านผู้นีย้ยคือตั้งจิตเพราะท่านผู้นี้กำลังเป็นทุกข์ขอให้เธอจงพ้นจากทุกข์อันนี้เถอ เพียงแค่นี้ท่านอาจจะช่วยให้เขาหายจากโรคได้อาจจะช่วยให้คนป่วยหายป่วยได้อาจจะช่วยให้คนจะตายรอดตายได้ด้วยอำนาจของจิตที่เราได้แผ่กรุณาไป <c oughs> เพราะฉะนั้นวิธีวางใจอันเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญในทางปฏิบัตินั้นผู้ที่มีกรุณาสูงหรือแผ่กรุณาไปในบุคคลอื่นมาก ย่อมมีจิตใจสงบเยือกเย็นและเราเนี่ยไม่ต้องไปเป็นทุกข์เห็นใครเป็นทุกข์ก็ขอให้เขาพ้นจากทุกข์ที่เขาได้รับอยู่การตั้งจิตยอย่างเนี้ยเป็นการดีแล้วก็มีหลักปฏิบัติแบบนี้ง่ายๆส่วนวิธีที่เราจะปฏิบัตินั้นเราอาจจะปฏิบัติตามระยะของการแผ่เมตตก็ได้เช่นอาจจะแผ่ไปตามทิศทั้งสิบเช่นทิศเหนือทิศ ใ, ใต้ทิศ ต, ตะวันออกตะวันตก ตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้ทิศเบื้องบ น, บนเบื้องต่ำเราอาจจะแผ่ไปได้เมื่อเราแผ่ไปแล้วสัตว์ทั้งหลายที่กำลังเป็นทุกข์เขาก็จะพ้นจากทุกข์ได้จิตของเราก็จะสงบลงเนี่ยวิธีแผ่หรือถ้าจะแผ่เจาะจงเป็นโอทิสตะพารณาก็ได้เห็นสัพเพสตาสัพเพปานาทุกขาพุทจันตุ สเพภูตาทุกขามุจจันตุสเพปุกราทุกขามุจจันตุสเพอั ต, ตาภาววปริยาปันาทุกขามุจจันตุอย่างเนี้ยคือเราอาจจะแผ่ไปเฉพาะคนก้อยคนคนนั้นขอให้ผู้นั้นพ้นจากทุกเถิดมีทุกอย่างไดขอให้เขาพ้นจากทุกเถิดแล้วเราก็แผ่กรุณาไปให้ตั้งใจแผ่ก็เป็นการช่วยเหลือคนที่เป็นทุกข์ให้พ้นจากทุกอันหนึ่ง ซึ่งอันนี้เป็นวิธีเจริญกรุณากรรมฐานหรือเป็นปรมุยหารธรรมกรรมฐานที่เราควรจะฝึกกันไว้ถ้าเราแผ่ไปโดยไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณก็เป็นอัปปมัญญาคือไม่มีประมาณละเรามีความสงสารต่อสรรพสัตว์เนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีขอบเขต มุ่งที่จะให้ศัตว์ทั้งหลายที่เขาเป็นทุกนั้นพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถิดเนี่ยทุกคนก็จะพ้นไปจากความทุกข์พยันตรายต่างๆได้อํานาจจิตของคนเนี่ยถ้าหากว่าฝึกฝนไว้ดีแล้วก็เป็นประโยชน์ถ้าเรารู้จักใช้มันก็เป็นประโยชน์อํานาจบางอย่างพลังงานบางอย่างที่เราเอามาใช้ประหัตประหารกัน หรือเอามาใช้ที่เป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลถ้าใช้ในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ประหัตประหารกันได้อย่างมหาศาลอำนาจของจิตก็เหมือนกันถ้าเราใช้อำนาจของจิตไปนในทางที่ไม่ถูกมากๆมันก็เป็นผลร้ายแก่โลกมนุษย์เนี่ยอย่างมหาศาลแต่ถ้าเราใช้พลังจิตไปนในทางที่เป็นกุศลมากๆมันก็เกิดผลดีแก่โลกมนุษย์เนี่ยอย่างมหาศาลเหมือนกันออท่านจึงกล่าวว่า สาเหตุแห่งความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงเกิดมาจากอำนาจจิตของมนุษย์ที่เป็นอกุศลถ้าบอกทายุคใดสมัยใดบุคคลมีราคะแรงกล้ามากจิตของบุคคลหมกมุ่นอยู่แต่ในกามารมยุคนั้นสมัยนั้นฝนก็จะแรงฝนไม่ตกต้องตามระดูการเมื่อฝนแรงไม่ตกต้องตามฤดูการ เราจะเกิดความทุกข์อะไรบ้างเพียงแค่จิตของเราไม่ดีเท่านั้นมันจะเกิดความทุกข์มากมายเช่นข้าวกล้าในนาพืชผลทางเกษตรจะได้ลดน้อยลงเมื่อพืชผลทางเกษตรลดน้อยลงคนก็จะอดอยากยากจนเมื่ออดอยากยากจนมันก็เป็นปัญหาสังคมติดตามมาจะต้องร่นสลดมกันที่การเบียดเบียนกันเป็นความทุกข์ที่ผูกพันเป็นสายโซ่ เ, เพียงแต่เราทําจิตของเราไม่ดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าแก้ที่จิตได้สําเร็จกท่เท่ากับเราแก้ปัญหาทั้งปวงเนี่ยได้สําเร็จก็ขอให้เราเนี่ยช่วยกันเสริมสร้างพลังจิตที่เป็นกุศลเหล่านี้ให้มากขึ้นเราแผ่กรุณาไปทั่วประเทศทั่วโลกมันก็จะอาจจะเป็นเครื่องช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานของสัตว์ที่ได้รับแต่ละมุมโลกเนี่ยให้ลดน้อยถอยลง หรือถ้าแผ่กรุณาไปมากๆสงครามทั้งหลายที่กำลังรบราฆ่าฟันกันก็จะสงบระงับลงได้ด้วยอำนาจจิตของเราที่เป็นกุศลแผ่กรุณาเหล่านี้ไปให้แล้วมันก็จะพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงที่แต่ละท่านจะถึงได้รับ <c oughs> นี่เป็นหลักปฏิบัติส่วนในด้านที่จะทำให้เกิดฌาน บุคคลที่จเจริญกรุณาอยู่เสมอเนี่ยจิตจะสงบลงตามลําดับเมื่อจิตสงบลงตามลาดับแล้วนิวรธรรมทั้งหลายก็จะเบาบางลงแล้วก็อาจจะถูกขจัดไปด้วยอํานาจขององค์ชานองค์ใดองค์หนึ่งในที่สุดได้และเมื่อนั้นจิตก็จะบรรลุถึงซึ่งอัปปนาสมาธิก็จะทําให้จิตของเราเนี่ยบรรลุถึงซึ่งสมาธิขั้นสูงขึ้นไปนี่เป็นผลที่เราได้ จากการเจริญกรุณาส่วนผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนั้นท่านกล่าวว่าย่อมมีสุคติเป็นไปในเบื้องหน้าชั้นสูงสุดก็อาจจะได้เกิดในพรหมโลกด้วยอำนาจของกรุณาธรรมแต่ว่าขั้นธรรมดาเนี่ยก็ขอให้เราได้ฝึกฝนเอาไว้ฝึกก็ไว้อยู่เสมอก็จะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เรานี้ไม่นิ่งดูได้เมื่อเราเห็นคนอื่นเป็นทุกข์ พอจะช่วยเหลือได้เราก็ช่วยเหลือกันแล้วก็ไม่เห็นความทุกข์ของคนอื่นเป็นของสนุกแต่เห็นว่าเป็นของที่ควรจะช่วยเหลือกันช่วยปลดเรื่องทุกข์ให้อย่าเห็นเป็นของสนุกเห็นคนอื่นเขาวิบัติก็อย่าคิดว่าเป็นของสนุกสนานเห็นคนอื่นเขาทะเลาะกันก็อย่าเห็นว่าเป็นของสนุกเราจะต้องช่วยเหลือปลดเรื่องทุกข์ของคนอื่นเหล่านั้นให้หมดไปเสียถ้าเราไม่เสริมสร้างกาลังใจเช่นนี้ขึ้นแล้ว โลกมนุษย์นี้จะวุ่นวายมากขึ้นเพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้ศึกษาพยายามปฏิบัติแต่ท่านที่สนใจก็พยายามปฏิบัติอย่างนี้และใช้าอานาจจิตอันนี้แผ่ไปให้มากเชื่อว่าความร่มเย็นเป็นสุขก็คงจะเกิดขึ้นแก่สังคมมนุษย์โดยทั่วไปวันนี้ <c oughs> ตามาขอบรรยายเฉพาะในเรื่องของกรุณาแลวก็ยังมีหลักปฏิบัติอีก สองหลักคือมุทิตากับอุเบกขาซึ่งจะได้มาบรรยายในวันอาทิตย์หน้าต่อไปวันอาทิตย์นี้ขอยุติการบรรยายลงไว้แต่เพียงนี้ออท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายประวิสุทธิมัตในวันนี้ก็จะได้นำเอาถึงเรื่องรมวิหารธรรม ข้อที่สี่คืออุเบกขาพรหมวิหารธรรมมาอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจอีกหมวดหนึ่ง <c oughs> เราได้ศึกษาถึงพรหมวิหารธรรมผ่านพ้นไปแล้วสาหมวดด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องการแผ่เมตตาแผ่กรุณาและแผ่มุทิตา วันนี้จะได้ศึกษาถึงวิธีการแผ่อุเบกขาภาวนา <c oughs> หรืออุเบกขา p r o มวิหารธรรมซึ่งเป็น p r o มวิหารข้อสุดท้ายในด้านการปฏิบัติหลักการปฏิบัติใน p r o มวิหารธรรมนี้เป็นหลักปฏิบัติที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันมาเพราะว่า บุคคลที่จะแผ่หรือจะเจริญอุเบกขาภาวนานี้ได้จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการปฏิบัติในด้านเมตตาภาวนากรุณาภาวนาและมุติตาภาวนามาแล้วจึงจะสามารถเจริญอุเบกขาภาวนาได้ก่อนที่เราจะศึกษาในความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องในด้านการปฏิบัติ ตามหลักธรรมทั้งสี่หมวดนี้ควรทำความเข้าใจถึงความหมายของคำว่าอุเบกขาเสียก่อนคำว่าอุเบกขานี้ถ้าแปลตามศัพท์ก็แปลว่าความวางเฉยคำว่าวางเฉยในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงการไม่ยอมรับรู้หรือที่เราเรียกกันว่าใครจะเป็นจะตายอะไรก็ช่าง ฉเฉยไม่รู้ไม่ชี้ก็เป็นอุเบกขาไม่ใช่อย่างนั้นความหมายทางด้านการปฏิบัติธรรมนั้นคำว่าอุเบกขาไม่ใช่หมายถึงไม่รู้ไม่ชี้หรือไม่ใช่หมายถึงการไม่ยอมรับผิดชอบว่าใครจะเป็นใครจะตายหรือการไม่รับผิดชอบต่อความเป็นไปของสันตสัตว์แต่ท่านหมายถึงจิตที่เป็นกลางในสันรสัตว โดยปราศจากความยินดียินร้ายหรือปราศจากอคติใดๆต่อสรรพสัตว์นั้นเป็นอุเบกขาเพราะว่ า, าการที่เราจะปฏิบัติหลักธรรมข้อนี้เราจะต้องเข้าใจถึงวิธีวางจิตว่าจิตที่จะเป็นอุเบกขานั้นหมายถึงสภาวะจิตอย่างไรและเราจะทำจิตนี้ให้เป็นกลางในสนรรพสัตว์ ด้วยการวางเฉยนั่นได้อย่างไรเพราะว่าจิตของบุคคลธรรมดาทั่วไปนี้ถ้าไม่มียินดีก็ต้องมียินร้ายเข้ามาครอบงำอย่างไรอย่างหนึ่งจะต้องสลับเปลี่ยนกันเข้ามายิ่งเรารับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกันอยู่ทุกๆขณะจิตนี้ความยินดียินร้ายต้องครอบงำจิตอยู่เสมอ ถ้าเรากระทบกับอารมณ์ที่ดีที่น่าพอใจก็ชวนให้เกิดความยินดีถ้ากระทบกับอารมณ์ที่ไม่น่ายินดีก็เป็นเหตุให้เกิดความยินร้ายฉะนั้นจิตของเราเนี่ยจึงตกไปภายใต้อํานาจของอกุศลธรรมทั้งสองอย่างยินดีก็เป็นอกุศลยินร้ายก็เป็นอกุศลจิตที่จะเป็นกลางเป็นอุเบกขาในสันตสัตว์จริงๆนั้น จะต้องอาศัยการฝึกฝนและการปฏิบัติเราจึงจะสามารถทําจิตของเราเนี่ยให้เป็นกลางได้การปฏิบัติในข้อนี้ค่อนข้างจะยากกว่าการเจริญเมตตาหรือการเจริญกรุณาหรือการเจริญมุทิตาเพราะว่าการที่เราปรารบสัตว์หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วเราจะไปวางเฉยในสัตว์ในบุคคลนั้นจะต้องมีเหตุ ว่าเหตุในการวางเฉยนั้นนะเราจะปลารคอะไรเพราะว่าสัตว์ที่เป็นอารมณ์ของเรานั้นถ้าหากว่าเขาไม่มีความสุขเขาก็ต้องมีความทุกข์ทั้งสองอย่างถ้าเขาไม่ผิดหวังก็ต้องสมหวังทั้งสองอย่างเราจะทำอย่างไรในสัตว์เหล่านั้นหรือในสัตว์ทั่วไปที่แวดล้อมตัวเราอยู่ขณะนี้เพราะว่าในชีวิตของคนเราเนี่ย ที่มีสภาวะธรรมเกิดขึ้นสับเปลี่ยนกันอยู่เป็นประจำก็คือดีใจกับเสียใจความดีใจกับความเสียใจนี่ดูมันจะเป็นตัวชีวิตที่เราจะต้องเสบยกันอยู่เป็นประจำเป็นส่วนหนึ่งของทุกๆชีวิตก็ว่าได้ความยินดียินได้หรือความดีใจความเสียใจทั้งสองอย่าง ที่เกิดขึ้นกับเรานั้นเป็นเรื่องของอกุศลที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะความยินดีบางอย่างก็เป็นโลภะความยินได้ก็เป็นโทสะฉะนั้นการที่เราจะวางจิตให้สม่ำเสมอกันโดยไม่ตกไปในอำนาจของอกุศลธรรมทั้งสองประการเนี่ย เราจะปรารบสัตว์เหล่านั้นอย่างไรเช่นได้เคยอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ทราบมาครั้งหนึ่งว่าในกรณีที่เราเกิดกรุณาคือความสงสารต่อผู้อื่นอย่างสุดซึ่งเห็นว่าเขามีความทุกข์ความลำบากมากเราก็คิดว่าเราเนี่ยจะช่วยลดเรื่องความทุกข์ต่างๆของเขาให้หมดไป แต่ในขณะนั้นเราไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ปลดเปลื้องความทุกข์ของสัตว์ที่เป็นทุกข์ให้หมดไปได้เรารู้สึกเสียใจว่าเราเนี่ยไม่สามารถช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ได้จิตของเราก็เกิดความเศร้าหมองขึ้นความเศร้าหมองเช่นนี้แทนที่จะเป็นความดีกลับกลายเป็นความทุกข์ความทรมานของบุคคลผู้มีความปรารถนาดี เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจะสังเกตได้จากสาวทุชนบางท่านผู้มีจิตอ่อนไหวในด้านที่เห็นความทุกข์ของคนอื่นแล้วก็ทนดูอยู่ไม่ได้บุคคลเช่นนี้จะมีชีวิตอยู่ด้วยความกระวนกระวายใจหรือมีชีวิตอยู่ด้วยความทุกข์และความทุกข์ทั้งพวงที่ตนเองได้รับอยู่นั้นเป็นเรื่องความทุกข์ของคนอื่นเขาทั้งนั้นคิดจะช่วยเหลือคนอื่นเขาให้พ้นจากทุกข์ แต่ตัวเองช่วยเหลือไม่ได้ก็ต้องพลอยเป็นทุกข์เป็นร้อนไปด้วยเห็นใครเขาเดือดร้อนก็ทนอยู่ไม่ได้จะต้องผลขวายช่วยเหลือเพื่อที่จะสดเรื่องความทุกข์ให้แก่ บ, บุคคลเหล่านั้นเนื่อชีวิตที่เป็นอยู่ประจําวันของบุคคลเหล่านี้ก็เป็นไปด้วยความเศร้าหมองเป็นไปด้วยความทุกข์ความจริงแล้วพื้นฐานในทางจิตใจของบุคคลเหล่านี้เป็นกุศลทั้งสิ้น แต่กุศลเหล่านี้ทาไมจึงทำให้จิตเกิดความเศร้าหมองได้ในทางสภาวธรรมนี้ถ้าหากว่าจิตของเราเศร้าหมองแล้วก็ไม่เป็นกุศลแต่จิตที่เป็นอกุศลเช่นนี้ขึ้นมาก็เพราะกุศลนั่นเองเป็นปัจจัยหมายถึงกรุณาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วแล้วกรุณานี้เราขาดโยนิโสมนสิการจึงเป็นเหตุหนึ่งทำให้จิตนี้ตกไปในฝ่ายแห่งความทุกโศกเพราะ ปรารคความทุกข์ของผู้อื่นแล้วช่วยเหลือเขาไม่ได้ในกรณีเช่นนี้เราจะป้องกันกจิตของเราได้อย่างไรถึงจะไม่เกิดความทุกข์ร้อนในเมื่อเราช่วยเหลือเขาไม่ได้หลักปฏิบัตินั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนให้เราใช้วิธีแผ่อุเบกขาภาวนาแผ่อุเบกขาไปในสัตว์เหล่านั้นที่เราช่วยเหลือเขาไม่ได้าการแผ่อุเบกขาไปนี้ เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจอย่าตีความคำว่าอุเบกขาของท่านเนี่ยผิดพลาดวันในเมื่อเราช่วยเหลือไม่ได้แล้วเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจวางเฉยเสีก็แล้วกันคาว่าวางเฉยเนี่ยต้องมีเหตุผลไม่ใช่หมายถึงการปฏิเสธโดยไม่ยอมรับรู้ขึ้นมาเฉยเฉยเราจะต้องมีเหตุผลว่าการที่เราจะวางใจของเราเนี่ยให้เป็นกลางในสันสัตว์ได้นั้น เราจะต้องปลารบอะไรในสัตว์เหล่านั้นที่เราช่วยเหลือไม่ได้คือมีความทุกข์บางอย่างที่ช่วยกันไม่ได้